ต้องชัดแก่ตนตั้งแต่ก่อนเริ่มต้นว่าอัรถกะถาคืออะไรรู้แล้วจึงบอกได้ว่าจะเอาหรือไม่ได้ทราบมาทานองว่าพระคึกฤตไม่ยอมรับอัตถกถาหรือไม่เอาอัตถกถาก็น่าจะมาทำความเข้าใจกันให้ชัดก่อนว่าอัตถกะถาคืออะไรหรืออะไรเป็นอัรถกะถา ที่จริงก็ได้พูดไว้มากแล้วแต่ก็ต้องทบทวนกันไว้รู้กันอยู่ว่าอัตตกถานั้นอธิบายคําและความในพระไตรปิฎกบาลีอัตตกถาก็คืออัตตที่แปลว่าความหมายบวกกถาที่แปลว่าถ้อยคําจึงแปลว่าถ้อยคําบอกความหมายยกตัวอย่างเราอ่านพบ กุญชโรในพระไตรปิฎกบาลีฉบับสยามรัฐอยากรู้ว่ากุญชอนนี้คืออะไรไปค้นในอัตถกถาก็เจอว่าท่านแปล ى, หรือให้ความหมายไว้ดังนี้กุญชโรหิหัตถีกุญชอนหมายถึงหัตถีคือช้างเจอปักขีก็อยากรู้ไปเปิดค้นดูก็เจอท่านว่าปักขีติสกุณเน ปักสีหมายถึงสกุณาคือนกที่นี้ไปพบกัลยาณังในพระไตรปิฎกบาลีฉบับสยามรัฐนั่นแหละมากมายอยากรู้ว่าคืออะไรไปคนในอัตรกระถาก็เจอเยอะเช่นกันลญาณติสุนทรังกัลยาณนะหมายความว่าสุนทรหรือดีงามกัลญาณติสุนทรังประวะรังกัลยาณนะ หมายความว่าสุนทรคือดีงามหรือบวรคือประเสริฐกัลยาณติโสพนังกัลยาณนะหมายความว่าโสพลคืองามพอได้เห็นข้อความที่คัดเอามาให้ดูนี้ก็เริ่มรู้จักอัตถกาถาแล้วหลายคนร้องออกมาว่าอออัตถกถาเนี่ยก็เหมือนกับดิกชันนารีหรือพจนานุกรมนี่เอง ก็ใช่สิบอกแล้วว่าอัธกถาแปลว่าถ้อยคำบอกความหมายจึงเข้าแนวเดียวกับดิกชันนารีเรื่องของถ้อยคำหรือเกี่ยวกับคำศัพท์หรือพอจนานุกรมซึ่งเป็นการลำดับคำแต่คำที่ท่านนำมาบอกความหมายไม่ใช่มีแต่คำที่ง่ายๆคุ้นค้นอย่างที่ยกมาให้ดูข้างบนคำมากมายเป็นศัพท์ที่ยากบางทีก็ยากมากๆทํานองเดียวกับดิกชันนารี ที่ไม่ใช่มีแต่การเด n น e t ตก l f g เก a ดอะไรพวกนี้ที่ง่ายหน่อยแต่มีพวกที่ชักจะต้องดูจริงจังขึ้นด้วยอัธกถามีความแตกต่างอย่างสำคัญจากดิกชันนารีหรือพจนานุกรมในข้อที่ว่าไม่เรียงคำตามลำดับอักษรแต่เรียงตามลำดับข้อมูลในพระไตรปิฎกบาลีเพราะเป็นของจำเพาะสำหรับอธิบายพระไตรปิฎกบาลีโดยตรง สำหรับดิกชันนารีหรือพจนานุกรมเมื่อเรียงคำตามลำดับอักษรคำนั้นๆก็ทำคำอธิบายให้เสร็จจบครบทีเดียวในที่นั้นๆแต่อัตถคถาซึ่งอธิบายตามลำดับข้อมูลในพระไตรปิฎกเจอคำนี้ในพระไตรปิฎกเล่ม11ก็อธิบายแล้วคำนั้นมาในเล่ม20ด้วยก็อธิบายอีกบางคำมาในเล่มอื่นๆ อ, อีกหลายเล่มอธิบายแล้วอธิบายอีกก็มี แถมพระอัตฐกถาจาร์ที่ทำคำอธิบายในต่างเล่มบางทีก็ต่างองค์ออกไปด้วยเมื่อหลายสิบปีแล้วอัตมาเริ่มคัดเอาคำอธิบายในแบบของอัตฐกถ า, ธามาจัดวางเรียงตามลำดับอักษรโดยบอกที่มาเดิมไว้เพื่อความสะดวกในการศึกษาค้นคว้าซึ่งจะได้เทียบเคียงคำอธิบายต่างแห่งต่างที่ไปพร้อมกันด้วยส่วนของเดิมก็รักษาไว้ แต่ไปเริ่มที่คำอธิบายในพระอภิธรรมปิดกไปได้พักหนึ่งก็ค้างทำหลายเรื่องหลายอย่างชีวิตไม่พอแต่ถ้าชีวิตยังคงค่อยย้อนกลับไปคิดทำต่อควรเข้าใจไว้ด้วยว่าวิธีทำอัฏถกถาซึ่งเป็นงานจำพวกไขขยายความหรือแก้อัถะนั้นไม่ใช่เป็นการแต่งเรื่องขึ้นใหม่แต่เป็นการรวบรวมเรียบเรียงหรือประมวลสาระมาบอกเล่าอย่างเป็นระเบียบระเแบบียบ คือทำนองเดียวกับการทำดิกชันนารีหรือพจนานุกรมที่เขาใช้คำว่า c o m p l y นั่นเองอย่างไรก็ตามงานของอัตถกถฐาไม่ใช่จบแค่การแปลศัพท์นิยามความหมายดังได้ว่ามาซึ่งเป็นหน้าที่พื้นฐานแต่อัตถกถฐานั้นทั้งแปลคำและอธิบายความคือมีงานหลักสองชั้นเช่นเมื่อพันนาพระสูตรหนึ่งหนึ่ง อัตถกถาบอกความหมายของถ้อยคำที่ยากหรือที่สำคัญในพระสูตรนั้นแล้วก็อธิบายเนื้อความของพระสูตรนั้นและถ้ามีเรื่องราวเหตุการณ์เกี่ยวข้องกับการตรัสพระสูตรนั้นก็เล่าไว้ด้วยจึงมีคำเรียกที่ถือเป็นไวโพ์ของอัตถกถาว่าอัถสังว น, นาเป็นการพันนาขยายความแต่เมื่อไม่ใช่การแต่งขึ้นใหม่แต่เป็นงานรวบรวมประมวลมาบอก ซึงเป็นธรรมดาที่อัตกถาจะเป็นที่เก็บรักษาคำอธิบายตัวจริงตั้งแต่ดั้งเดิมที่สุดไว้เท่าที่เป็นไปได้แล้วก็แน่นอนว่าคำอธิบายคำไขความของพุทธพจน์พุทธวจนะทั้งหลายก็มีตั้งแต่หลังจากพระพุทธเจ้าตรัสพระวินัยหรือพระสูตรนั้นๆจบไปแล้วนั่นเองในชีวิตประจาวันของพระสงฆ์ตั้งแต่ครั้งพุทธกาลมาทีเดียว หลังเวลาพัฒาหารแล้วตอนบ่ายเย็นคำ่ำมีช่วงเวลาเหมาะที่พระสงฆ์มานั่งพบปะถกถ้อยสนทนาธรรมกันในโรงนั่งพักบ้างในหอชั้นหอประชุมบ้างบางครั้งบางท่านแสดงธรรมให้ที่ประชุมฟังหรือบางทีเรื่องที่ท่านสนทนากันมีแง่มุมที่สำคัญหรือเป็นประโยชน์ก็เก็บไว้เป็นพระสูตรด้วยแต่ที่บ่อยก็คือ ระหว่างที่ท่านถกถ้อยสนทนาอยู่นั้นพระพุทธเจ้าเสด็จมาเหมือนจะทรงร่วมสนทนาด้วยตามปกติก็จะตรัสถามว่าเธอสนทนาเรื่องอะไรค้างอยู่เมื่อได้รับคำทูลตอบแล้วบางทีก็ตรัสอธิบายเรื่องนั้นให้พระสงฆ์เข้าใจชัดเจนกว้างขวางยิ่งขึ้นแต่บางทีบางเรื่องพระท่านเถียงกันในเรื่องภายนอกเมื่อเสด็จมาทรงทราบแล้วก็ตรัสสอน เลยเกิดเป็นพระสูตรขึ้นมาใหม่อีกสูตรหนึ่งทีนี้ในการพบปะแบบนี้บางทีพระก็ทูลถามข้อสงสัยเล็กๆน้อยๆเช่นคำยากในพระสูตรที่เพิ่งตรัสผ่านไปคาตรัสอธิบายปลีกย่อยอ ย, อย่างนี้ซึ่งไม่ถึงกับถือเป็นสูตรหนึ่งแต่แน่ละพระสงฆ์ก็ถือเป็นสำคัญที่จะจดจําไว้เป็นคาอธิบายเวลาพระสาวกสอนพระสูตรนั้นๆแก่พระสิทธ์ ก็ใช้คําตรัสอธิบายนั้นเป็นมาตรฐานในการอธิบายคําตรัสอธิบายคราวต่างๆอย่างนี้แหละก็เป็นอัตกถาตรงตามความหมายของศัพท์ที่ว่าถ้อยคําบอกความหมายดังนั้นอัตกถาแรกก็คือพุทธพจน์หรือพุทธวจนะซึ่งมาจากพระพุทธเจ้านั่นเองประสงค์ก็เก็บสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆรเมื่อพระสาวกผู้ใหญ่อธิบายขยายความแก่สิทธิของท่าน ได้รับความนับถือเป็นหลักก็เป็นอัตถกถาอีกก็เลยเก็บสะสมสะสมกันเพิ่มขึ้นมาขึ้นมาโดยในนี้จึงเป็นธรรมดาที่ว่าอัตถกถาซึ่งเป็นคําไขความอธิบายก็อยู่คู่เคียงมากับพระธรรมวินยัยอันเป็นตัวหลักคําสอนที่มาเป็นพระไตรปิฎกท่านจึงเล่า ว, ว่าเมื่อสังคยนาพระธรรมวินัยตั้งแต่ครั้งแรกก็สังคยนา คือประมวลอัตถกาถาที่นับถือใช้กันมาถึงเวลานั้นนำมาสอบทานตกลงให้เป็นที่ยอมรับเป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวเป็นเครื่องประกอบหรือเป็นคู่มือคู่เคียงไว้ด้วยนี่ดูก็เป็นธรรมดาของการศึกษาเล่าเรียนนั่นเองหลังจากนั้นการรักษาและศึกษาพระธรรมวินัยที่รวมไว้ในพระไตรปิฎกก็ดาเนินเรื่อยมาในส่วนของอัตถกถาก็ขยายออกไปตามที่มีคาอธิบาย วินิจฉัยความของพระเทระสําคัญอันได้เป็นที่นับถือนี่ก็คือคู่มากับพระไตปิดกนั้นจนกระทั่งพุทธศักราช236เมื่อพระเจ้าอโศกมหาราชทรงอุปถัรมภ์ส่งพระมหินทเทระไปลังกาทวีปนําพระไตปิดกไปก็นําอัฐกถาเท่าที่รักษาใช้เป็นเครื่องมือศึกษาพระไตปิด ก, กันมาถึงเวลานั้นพาพ่วงไปด้วย ที่ลังกาทวีปนั้นพระไตรปิฎกก็รักษาไว้อย่างเดิมที่เป็นภาษาบาลีแต่อัตถกถาซึ่งเป็นเครื่องมือศึกษาเมื่อคนในลังกาทวีปผู้ศึกษาเป็นชาวสิงหลอัตถกถาก็แปลและแปลไปเป็นภาษาสิงห์นแล้วก็มีหลายชุดหลายฉบับมีชื่อต่างๆแต่ที่เป็นชุดหลักใหญ่ครบที่จะคู่เคียงพระไตรปิฎกได้เรียกว่ามหาอัตถกถา การล่วงมาหลายร้อยปีถึงพุทธศักราช965พระพุทธศาสนาในอินเดียเสื่อมมากจนอัตถกาถาที่เป็นเครื่องมือในการศึกษาสูญหายหมดไปคงเหลืออยู่เพียงพระไตรปิฎกบาลีพระเรวตะเถระจึงส่งพระพุทธโคสะลูกศิษย์สำคัญมาลังกาทวีปให้มาแปลอัตถกถาที่รักษาไว้ในภาษาสิงหลกลับเป็นภาษาบาลี เพื่อนําไปใช้ในชมพูทวีปจากอัตถกถาภาษ า, าสิงหลนที่สืบมาในลังกาทวีปพระพุทธโคสได้แปลรวบรวมเรียบเรียงเป็นอัตถกถาภาษ า, าบาลีได้ส่วนมากแต่ไม่ถึงกับหมดยังมีท่านอื่นๆก็มาแปลที่รองลงไปคือพระธรรมปาละที่น้อยหน่อยก็มีพระอุปเสนะพระมหานามะและพระพุทธทัตตะ ก็แปลกันจนครบหมดมาบัดนี้อัตตะกถาและพระอัตตกถาจาร์ที่เรารู้จักก็คืออัตตกถาภาษาบาลีและพระเทระผู้แปลที่ว่ามานี้เมื่อมีอัตตกถาภาษาบาลีใหม่นี้แล้วอัตตกถาเก่าภาษาสิงหลที่สืบกันมาเดิมก็ถูกเรียกว่าโบราณนันตกถาซึ่งก็แปลว่าอัตตกถาโบราณนั่นเอง เรารู้ได้แต่เรื่องราวที่เป็นมาแต่ไม่เหลือของจริงให้ดูทีนี้ก็ต้องทบทวนความเข้าใจกันไว้ว่าในเวลาหลายร้อยปีที่ลังกาทวีปนั้นเมื่อพระเถระครูอาจารย์สอนลูกศิษย์ให้เรียนพระธรรมวินัยในพระไตรปิฎกโดยใช้อัตถกถาโบราณเป็นคู่มือนั้นเมื่อท่านจะช่วยลูกศิษย์ให้เข้าใจก็ต้องอธิบายขยายความแง่นั้นแงน่นี้เพิ่มเติมถ้ามีเรื่องราวเหตุการณ์ใหม่ๆ เกิดขึ้นในลังกาที่เสริมความเข้าใจก็เอามาเล่าด้วยสะสมมาสะสมมาปรากฏว่ากว่าจะยุติเป็นอัตถกถาที่เรารู้จักนี้ได้มีเรื่องราวในลังกามาแทรกรวมอยู่กับอัตถกาถามากมายเป็นเรื่องพระเรื่องโยมเรื่องราชวงศ์พระราชาขุนนางเรื่องในชนบทในเมืองความเชื่อของชาวบ้าน การรบ ก, กับต่างชาติที่มาลุกรานอย่างพวกทมินความทุกข์ยากเดือดร้อนของพระและประชาชนที่หนีภัยสงครามไปๆมาๆก็ทําให้อัตถกถามีเรื่องราวของชาวสิงหนผลมากมายจนหลายร้อยปีหลังพุทธกาลอัตถกถาก็เลยมีประโยชน์ในฐานะเป็นบันทึกประวัติศาสตร์หรือตำนานของสีลังกาด้วยอย่างสําคัญ ที่จริงเรื่องราวเสริมประกอบเหล่านี้เป็นส่วนที่พ่วงติดอัตกถาซึ่งสะสมมาตามกาลเวลาเมื่อทําเป็นสมุดเป็นเล่มหนังสือเราก็เรียกรวมรวมคลุมไปว่าอัตกถาเป็นการเรียกให้สะดวกแต่ชวนให้เข้าใจผิดพลาดเพราะไม่ใช่มีเฉพาะตัวอัตกถาแท้ๆ แ, แต่มีส่วนที่เพิ่มพ่วงมาด้วยถึงจะเรียกสั้นๆเพื่อให้สะดวกว่าอาัตกถาแต่พึงเข้าใจให้ถูกต้องว่าที่จริง นี่คือคมภีที่เก็บรักษาอัตถกถาคืออัตถกถาอยู่ในนั้นแต่ไม่ใช่ทั้งหมดในนั้นเป็นอัตถกถาในฐานะผู้ศึกษาจึงพึงแยกได้ว่าส่วนไหนเป็นอัรถกถาส่วนไหนเป็นของเสริมเติมที่พ่วงติดมาอันช่วยห่อหุ้มอัตถกถาไว้อัตถกถามุ่งเพื่อช่วยการศึกษาเมื่อมีความที่ขัดแยง้งก็พบว่า ท่านบอกอย่างเปิดเผยเช่นที่ยกมาพูดบ่อยๆในอัธกถาแห่งอัปปท า, านท่านเล่าว่าพระโพธิสัตว์ออกผนวดในวันที่ราหุลกุมารประสูติและท่านก็บอกว่ายังปณะชาตกะทัตถายังตทาสตตาชาโตราหุลกุมารโรโหติติอุตังตังเสสถกะถาสุนัติตสมาอิทเมวะแคเหตับพัง ส่วนคำที่บอกในอัตถกถาชาดกว่าเวลานั้นราหุนกุมารประสูตรแล้วเจ็วันนั้นไม่มีในบรรณาอัตถกะถาที่เหลือเพราะฉะนั้นพึงถือเอาคำที่ว่านี้แหละในอัตถกถาวินัยคือสมันตปาสาธิกาพระพุทธโคสาจารย์มักยกคำอธิบายของอัตถกถาโบราณหรือโปราณนัตกถามาวางให้ดูมติที่ต่างกันและบางอัตถกถา โดยเฉพาะอันทัศกถาถูกท่านปฏิเสธบ่อยเช่นท่านอธิบายการให้สารณะที่ว่าพุทธังสารนังคชามิตอนหนึ่งว่าคําที่กล่าวไว้ในอันทกศกถาว่าอันเตวาสิกพึงประกาศชื่อรับสารณะอย่างนี้ว่าอาหารพันเตพุทธรักคิโตยาวะชีวังพุทธังสารนังคชามิดังนี้นั้นไม่มีแม้ในอัตกถาเดียว ทั้งในพระบาหลีก็ไม่กล่าวไว้เป็นเพียงความชอบใจของพระอาจารย์เหล่านั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรถือเอาแท้จริงเมื่อไม่ว่ายอย่างนั้นสารณะจะกำเริบก็หาไม่เมื่อเรื่องราวหรือข้อความในคำพ์นั้นคำร์นี้ไม่ตรงกันขัดแย้งกันหรือไม่สมเรื่องยังไม่มีข้อตัดสินท่านก็ให้พิจารณาสอบสวนมิใช่ต้องให้เชื่อ เข้ากับลักษณะของการศึกษาใช้ปัญญาขอให้ดูตัวอย่างอีกแห่งหนึ่งดังนี้ก็บัรดาพระเทระเหล่านั้นพระเทระสองรูปเหล่านี้คือพระอนุรุธทธเทระและพระอุบาลีเทระท่านแสดงไว้เหมือนว่าเข้าไปยังเมืองกบิลพัทของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วบวชในวันประชุมพระประยุรญาตแต่คำนั้นไม่สมกับบาลีในขันทกะและอัตถถา พึงตรวจสอบแล้วจึงถือเอาดังที่ว่าแล้วหน้าที่ของอัตกถฐานั้นเริ่มตั้งแต่บอกความหมายของถ้อยคำเหมือนพจนานุกรมแม้แต่ในขั้นพื้นฐานนี้ท่านผู้ทํางานแปลที่จะทําพระไตรปิฎกภาษาไทยก็ต้องพึ่งอัตกถฐาไม่มีทางเลี่ยงไปไหนทั้งนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะพอจะพระไตรปิฎกบาลี ก็เจอถ้อยคำและข้อความมากแห่งที่ผู้แปลไม่รู้ไม่เข้าใจหรือไม่แน่ใจผู้แปลจึงต้องดูคำอธิบายในอั ธ, อธกถาเหมือนคนดูความหมายของคาในพจนานุกรมแล้วก็แปลไปตามคำแปลสัพท์ตามความหมายหรือคำอธิบายของอัธกถานั้นการที่ท่านผู้รู้ผู้เป็นปรารถบางครั้งบางคราวจะค้านจะแย้งอัธกถา ก็มีได้เป็นธรรมดาโดยมาจากการที่ท่านอ่านท่านใช้อัตถกถามาจนชำนาญหรือช่ำชองและในเวลาที่อ่านใช้อัตถกถาไปเรื่อยๆนั้นบางครั้งท่านก็แสดงความไม่เห็นด้วยกับบางมติของอัตถกถานั้นนี้ที่อยู่ในบรรดาข้อมูลซึ่งได้สะสมเก็บรักษาสืบต่อตั้งแต่พระพุทธเจ้ารวมมาจนถึงพระโบราณอาจารย์รุ่นหลังตลอดการเกือบสหสวรส เช่นเดียวกับการที่ในบรรดาอัตถกถาท่านก็ขานก็แย้งกันเองที่โน่นที่นั่นเป็นไปตามวิถีทางของการศึกษาที่เปิดโอกาสแก่เสรีภาพทางปัญญาด้วยมุทุตาและมีความซื่อตรง